มีแมลงชนิดหนึ่งนะคยคล้ายพึ่งนะเรียกว่าชันชั้นก็มีหลายชนิดชันโรงก็เป็นแมลงชนิดหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีคนปลูก เ, เริ่มมีคนเลี้ยงนะชั้นโรงเนี่ยเพราะว่าพึ่งมันอายากพึ่งนี่มันจําเป็นสาห ร, รับการผสมเกสรพอพึ่งหายไปเพราะว่าเจอสารเคมีชาวสวนก็เริ่มมีปัญหาก็มีบางคนก็มาเลี้ยงชันโรงแทนเอาไว้ทําหน้าที่แทนพึ่งในการผสมเกสร ชั้นลงนี่มันก็มีพฤติกรรมน่าสนใจนะมันจะมีนางพญาอยู่นะนางพญาอยู่ในอยู่ในรังนางพญานีไม่ออกไปผสมพันธุ์ข้างนอกนะเหมือนพึ่งพึ่งนี่นางพญาจะออกไปผสมพันธุ์ข้างนอกแต่ว่านางพญาชั้นโลงนี่มันอยู่ข้างในตัวไหนอยากผสมพันธุ์ก็ต้องเข้าไปในรังแต่ว่าเข้าไปยากนะเพราะว่ามันมีพึ่งว่ามันมีก็เรียกชั้นรงงานรงงานก็คือ ตัวที่คอยป้องกันคอยเป็นเป็นยามป้องกันไม่ให้อะไรทะเลดทะล่าเข้าไปข้างในแล้นตัวผู้เนี่ยถ้ามันอยากผสมพันธุ์เนี่ยมันก็ต้องหาอูบายเข้าไปข้างในให้ได้มันก็ต้องใช้วิธีหลอกนะหลอกทหารยามหลอกยังไง <c oughs> ก็หลอกทำทีเหมือนก็ว่าเป็นเป็นชันประเภทที่เข้าไปทำงานในนั้นเรียกว่าชันลงนาน ก็เหมือพึ่งงานนะนะพึ่งงานนี่มันจะเข้าไปทํางานข้างในคุกคีกับนางพญาก็ได้มันปลอมตัวนะ ท, ทําทีเป็นเหมือนกับว่าขนเกสอนขนเกสอนดอกไม้เข้าไปข้างในยามนี่เห็นก็ปล่อยให้มันเข้าไปนะเพราะนึกว่ามันเป็นแผนกโรงงานนะไอ้ขนแกสอนนี่แกสอนที่มันขนไปนี่มันก็ช่วยดับพวกเห่นดะ้วยนะ เพราะว่าตัวผู้นี่มันก็มีกลิ่นของมัน ถ, ถ้าหากว่าไม่กบกลิ่นนี่เข้าไปไม่ได้นะยามไม่ให้เข้าไปมันก็เลยใช้เกสอนนี่แหละช่วยกบกลิ่นแล้วก็ทำทีมันก็ว่าเป็นแผนกโรงงานนะยามก็ให้เข้าไปพอเข้าไปเสร็จไอตัวผู้นึงก็เข้าไปผสมพันกับนางพญานะก็ทำให้มีมีการแพร่พันนะ อันนี้ก็เป็นความฉลาดนะเป็นอุบายนะของตัวผู้นะที่สามารถที่จะหลอกทหารยามได้นะไม่รู้ว่าไปเรียนมาจากไหนนะแต่มันเป็นเป็นธรรมชาติของเขาเลยต้องใช้อุบายหลอกนะถึงจะเข้าไปข้างในแล้วก็ผสมกํานางพยาได้แต่การหลอกแบบนี้ก็มีประโยชน์นะเพราะว่ามันทำให้มีการแพร่พันธุ์ ไอตัวผู้ที่เข้าไปมันก็ไม่ได้ทำลารกับนางพญานะมันก็แค่ไปผสมพันธุ์แล้วมันอยู่ได้ไม่นานมนก็ตายใจเรานี่ก็จะว่าไปนะมันก็คล้ายๆกันนะะคล้ายๆกับรังของผึ้งรังของชันนะมันมีมียามเฝ้าอยู่ยามนี่คือสตินะสติที่เป็นเครื่องรักษาใจนะพระเจ้าก็เปรียบมันกับฐานยามที่เฝ้าเมืองค อ, อย คอยป้องกันไม่ให้ศัตรูเล็ดลอดเข้าไปในเมืองได้เพราะพอถ้าเล็ดลอดเข้าไปในเมืองแล้วนี่ก็มันก็เผาเมืองจนพินาศไปหมดแต่ว่าสติที่คนส่วนใหญ่มีนะมันเือนกระหารยามที่ไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าไหร่ถานไม่ค่อยฉลาดด้วยส่วนกิเลสนะ มันมีอุบายเยอะมากนะในการที่จะล่อลอกหรือพรางตัวเข้ามาจนกระทั่งทหารยามปล่อยให้เข้าไปสติเนี่ยถ้าหากว่าสติไม่ฉลาดไม่ว่องไวปราดเปรียวนะกิเลสมันก็เข้าไปเล่นงานจิตใจได้มันก็ใช้อุบายหลายอย่างนะคล้ายๆกับไอ้ตัวชันตัวผู้นี่แหละนะ มันก็ใช้อุบายหลอกหลอกให้ทหารยามเปิดทางให้เข้าไปแต่ว่าชันตัวพู้นี้มันไม่ได้เข้าไปทำลายนะมันก็เข้าไปผสมพันธุ์แล้วก็เป็นประโยชน์นะต่อต่อชันทั้งรังนะแต่กิเลสนี่ถ้ามันเข้าไปได้นี่มันสร้างความปั่นป่วนวุ่นวาย สามารถจะทำลายจิตทำลายใจให้พินาศย่อยยับได้ถ้าลองสังเกต ด, ดูนะกิเลสในใจในกิเลสนี่มันมันฉลาดมากในการที่จะล่อหลอกสติของเราให้หลงโดยพ่ายตัวฟุ้งซ่าเนี่ยเป็นตัวอย่างง่ายๆในความฟุ้งซ่านนี่มันจะหาจิตมันจะหาทางมันจะหาเรื่องคิดให้ฟุ้งซ่านตลอดเวลา ตั้งใจจะให้มีสติให้มีความสุกตัวเดี๋ยวก็เผลอคิดโน่นคิดนี่นะ้มันมีอุบายที่จะชวนให้เราคิดโน่นคิดนี่ชวนให้เราฟุ้งซ่านตลอดเวลาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันนะเพราะว่าสติเรายังอ่อนนะแต่ถ้าสติเราเข้มแข็งนี่มันจะจับได้ไล่ทันไม่หลงง่ายๆไม่เผลอง่ายๆนะของเทื่องฝึกได้นะฝึกให้พัฒนาได้ เราทำไปทำไปเราก็จะรู้ทางจับทางได้ว่ากิเลสมันมันจะมาทางไหนมันจะมาล่อหลอกเราอย่างไรไม่ใช่ล่อให้เราเพลินให้เราหลงบางทีล่อให้เราโกรธล่อให้เราหงุดหงิดนะอันนี้ไปกิเลสเป็นอุบายของมันทั้งนั้นนะเราต้องเท่าทันนะอย่าไปอย่าไปโง่ให้ให้มันหลอกได้เหมือนกับทหารยามที่เฝ้าชันนะมันโดนตัวผู้หลอก แล้วหลอกอีกนะไม่จำสักทนะีแต่ว่ามันก็อาจจะยอมไม่ยอมเผลอให้หลอกก็ได้เพราะเป็นประโยชน์ต่อการแพทย์พันแต่กิเลยนี่ไม่เป็นประโยชน์เลยเป็นโทษมา ก, นะกต้องระวังเอาไว้แล้วก็เตรียมรับพร